วันนี้พอทุ่มครึ่งก็เข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งจริงการคุยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องนะเหมือนกับว่าจะต่อเนื่องกับคราวที่แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องมันมีที่จะต้องพูดคุยกันต่อไงเพราะบางทีเราโยมขึ้นมามาคุยมาถามมาซักกันทีนี้มันก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาพอเป็นประเด็นก็ทําให้มีเรื่องต้องคุยต่ออย่างประเด็นวันเนี้คือ หมายความว่าพวกเราเนี่ยเนาะจริงๆก็รู้กันแล้วหลายๆในหลักการเนาะในคําสอนเช่นรู้กันว่าสังขารเนี่ยหมายถึงร่างกายจิตใจนะมันเป็นสังขารมันก็มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาอันนี้รู้หมดแล้วท่องได้ขึ้นใจแต่พอเรามาภาคปฏิบัติกันเนี่ยก็จะพบว่าหมายความว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจนะเข้าใจอย่างที่ คำที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอเช่ น, นไม่เข้าใจเรื่องของอ่าส่วนหลวงพ่อจะพูดถึงไม่เข้าใจเรื่องของความเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหมายถึงว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยรวมถึงตัวเราด้วยนี่เนาะตัวเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ยคือสังขารแล้วก็เป็นอนัตตาแต่พอเอาเข้าจริงอ่ะมันเป็นอัตตาอย่างเช่นที่เราพูดถึงเรื่องรู้เนี่ยพูดถึงเรื่องรู้อ้าไปยืนหน้า ไปยืนไปยืนมองม่านนะไปยืนมองม่านแล้วก็พอยืนแล้วก็มีการเราก็คุยกันน่ะนะถามว่าเออเห็นม่านไหมทุกคนก็บอกว่าเห็นแล้วพอถามว่าเคยเห็นก็ก็บอกว่าผมเห็นเนี่ยผมยืนอยู่เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเห็นม่านนี่สแสดงว่ามีตัวผมร้อยเปอร์เซนทั้งทั้งที่ท่องท่องภาคปริยัติเนี่ยได้ ได้แม่นยำอยู่แล้วว่าทำทัองปวงเป็นอนัตตาคือทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่พอเอาเข้าจริงอ่ะไปยืนดูอะทําไมมันเป็นผมไปได้เ อ, อเห็นไหมเนี่ยแล้วก็คุยกันเท่าไหร่ก็ยังเป็นผมอยู่เนาะเห็นไหมคือมันเป็นเราอว์เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ระดับความจําเนี่ยมันจึงต่างกันลิบลับกับความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนาะอย่าไปไว้วางใจกับความจําความจำอะ่ะคือเข้าใจถูกแล้วเข้าใจถูกรู้ถูกนะ แต่พอเอาเข้าจริงอะ่ะมันทำไม่ได้มันทำไม่เป็นนี่แหละในในวงการธรรมะก็คือเป็นอย่างเนี้ยบางทีคุยกันเห็นไหมเรารู้หมดรู้ทุกอย่างแต่พอเอาเข้าจริงอะ่ะก็ยังทุกเหมือนเดิมที่ทุ ก, กเพราะว่ายังมีเราเป็นทุกแต่จริงอ่ในคำสอนมีแต่สังขารเป็นทุกพอภาคปฏิบัติก็ยังมีเราเป็นทุกเลยหนูยังเป็นทุกอยู่เลยหนูยังเป็นทุก แล้วยมลองพิจารณาดูดีๆดีว่าไอ้หนูหรือว่าเรามาันมาจากไหนอะเออทั้งๆที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีแต่ทุกข์มีแต่สังขารเป็นทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่ามีเราเป็นทุกข์ท่านบอกว่ามีแต่สังขารเป็นทุกข์เออนี่ไงประเด็นมันที่ต้องคุยกันตรงนี้นะนะน ะ, นะสมมติว่าท่องได้เนี่ยสังขารเป็นทุกข์แต่พอเอาเข้าจริงใครเป็นทุกข์ก็หนูยังเป็นทุกข์เลยเอา้า แล้วหนูมันมาจากไหนอ่ะหรือว่าเนี่ยผมยังเป็นทุกข์เลยแล้วผมจะปฏิบัติยังไงให้พ้นทุกข์ให้ไม่มีทุกข์ก็พระพุทธเจ้าบอกเต็มรูหูแล้วไงบอกว่ามีแต่สังขารเป็นทุกข์เออสังขารเป็นทุกข์แล้วยมก็ยังว่าผมเป็นทุกข์อยู่แล้วเอาผมมาจากไหนคือตัวทุกข์เนี่ยคือมันเป็นตัวสังขาร น, นะมันก็บอกอยู่แล้วไงคือตัวมันอะ่ะเป็นทุกข์เออ ตัวมันน่ะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์เราเราก็บอกว่าเราเป็นทุกข์โยมดูสิมันเอาเรามาจากไหนนี่เนี่ยตรงนี้ที่เขาเรียกว่าอุชชาคือความไม่รู้ความหลงอืแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกเป่าเปาเป่าเปล่าอยู่บอกว่ามีแต่สังขารเป็นทุกข์ก็หนูยังเป็นทุกข์เลยอ่ะหนูยังเป็นทุกข์เอาเข้าไปทุกข์น่ะมันมีตัวเดียวเท่านั้นแหละคือคือตัวสังขารนะ มันไม่มีตัวเราเป็นทุกข์หรอกมันมีแต่สังขารเป็นทุกข์แล้วก็อเราก็ยังเข้าใจผิดอยู่ดีว่าก็หนูยังเป็นทุกข์เอา้ากุยไม่รู้เรื่องเลยทีเนี้ยแล้วก็ามาดูดูเออมันก็ตลกดีเนาะเอาสมมุติพูดถึงความทุกข์ทางร่างกายนะความปวดนะโยมนะสมมติว่าพูดถึงความปวดความปวดคืออะไรความปวดเป็นสังขารสังขารเป็นทุกข์แล้วก็สังขารเป็นอนัตตาด้วยอ่ะมไม่ใช่ตัวตน เพราะนั้นอะความปวดอะความปวดอะคือตัวปวดอะมันเป็นทุกตัวมันเองความปวดอะคือตัวปวดนี่แหละมันเป็นทุกโดยตัวมันเองไม่มีใครทำให้มันเป็นทุกแต่ทีนี้ด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่รู้แจ้งก็เลยมีผู้ไปยึดความปวดว่าเป็นเราว่าเป็นฉันทีนี้ถ้าทำความเข้าใจถูกว่าฉันไม่มีมีแต่ความปวดแล้วก็ความปวดเป็นทุกแล้วความปวดก็ไม่เที่ยงใช่ไหแล้วก็มีแล้วหมดไปมีแล้วหายไป เออเพราะฉะนั้นเนี่ยคนปฏิบัติธรรมอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยที่เรียกว่าที่ในทางสมมุติที่บอกว่าเราปฏิบัติธรรมมันนะถึงรู้แจ้งในธรรมะแต่ก็ทุกก็ยังเป็นทุ ก, กันแหละทุกมันจะเป็นอะไรได้เพราะฉะนั้นความปวดก็ยังมีเหมือนเดิมนะเออความปวดเพราะว่าความตัวความปวดมันมันติดมากับร่างกายใช่ไหมในร่างกายเนี่ยมันมีร่างกายแต่ทีนี้เมื่อมีเหตุปัใจจัยให้ปวดเนาะก็จะมีความปวดเกิดขึ้นในเนื้อในหนังเนี่ยในร่างกาย เพราะฉะนั้นเนี <tahun> ่ยมันก็หนีทุกข์ไม่ได้ในเมื่อยังมีสังขารอยู่เพราะสังขารนั่นแหละคือตัวทุกข์ทีนี้เนี่ยวิธีพ้นทุกข์เนี่ยเพียงแค่พลิกความเข้าใจผิดเนี่ยให้มันเข้าใจถูกแค่นั้นหลยว่าทุกข์ก็คือทุกข์ทุกข์ไม่ใช่คือเราเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็ไม่เป็นเราเนี่ยรู้สึกตัวเขาเรียกว่ารู้สึกตัวพอมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ตัวรู้ว่าไอ้ตัวทุกข์อ่ะคือมันเป็นเป็นสังขาร เอออยากเข้าใจผิดอีกว่าเป็นเราอยากเข้าใจผิดอีกว่าเป็นเรา น, นี่เน้นเลย <tte? S 1> เพราะเรามันไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันมีแต่สังขารที่เป็นทุกข์เราไม่มีไม่มีมันมีแต่สมมติที่เขาเรียกกันว่ามีตัวเราสมมติน่ะสมมติอ่ะเออแต่โดยโดยโดยปรมัตรธรรมอ่ะมันมีแค่สภาวะเออเขาเราียกว่าสังขารแล้วก็สังขารเป็นทุกข์เป็นแล้วก็หมดไปสังขารหมดไปหมดไปฮะ แล้วพอไม่มีร่างกายอ่ะไอตัวทุกข์มันก็อยู่ไม่ได้ดิเช่นร่างกายต า, าตายใช่ไหมเน่าเปื่อยผุพังอ่ะเออแล้วทุกข์มันก็ไม่เกิดดิแต่ตัวที่ทุกข์ก็คือตัวร่างกายนั่นแหละก็เน่าเปื่อยผุพังไปอา่าเห็นไหมแต่ความปวดเนี่ยไม่มีเพราะว่ามันมีการดับวิญญาณก็ดับการรับรู้ก็ดับก็เหลือแต่ร่างกายพอร่างกายอย่างเดียวจิตใจเออวิญญาณวิญญาณเนี่ยก็ดับไปแล้ว ก็เหลือแต่ดินน้ำไฟลมเนี y, ่ยร่างกายก็คือประกอบด้วยดินน้ำไฟลมมันไม่มีความเจ็บไม่มีความปวดไม่มีอะไรเพราะนั้นเรื่องปวดก็ไม่มีดับหมดนะเหลือแต่ร่างกายก็ร่างกายนี้ก็คือดินน้ำไฟลมพอปล่อยทิ้งไปปั๊บดินก็สู่ดินน้ำก็สู่น้ำไฟก็สู่ไฟลมก็สู่ลมก็จึงไม่มีร่องรอยของร่างกายเหลือก็เหลือแต่ธรรมชาติที่มองไม่เห็นละคราวนี้ก็เป็นดินน้ำเป็นไฟเป็นลมอ่ะ ใช่ไหมอ่าอาจจะมองเห็นน้ําแต่น้ําอันนั้นเนี่ยในน้ําจริงๆอ่ะมันก็ยังมีดินน้ํำไฟลมนะในน้ําอ่ะพราะน้ำเนี่ยมันแข็งได้นะเวลามันอัดแน่นอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจในภาพรวมอย่างเนี้ก็คือจริงๆอ่ะไม่มีเรานะมีแต่ดินน้ําไฟลมแล้วก็พอมาผสมเป็นขันห้าก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเวลามันทุกก็คือรูปมันทุกขหรือเวทนาคือทุกอย่างเป็นสภาวะทุกนะคือทนสภาพเดิมไม่ได้ก็ แตกสลายดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเจ็บมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่เราเจ็บนี่ให้เข้าใจอย่างนี้เลยนะเจ็บมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่เป็นเราแล้วก็ความมีอยู่นั่นนะเขาเรียกว่าสังขารมีอยู่ยังไม่ดับไปเพราะนั้นเปลี่ยนนิดเดียวจากความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจถูกเสีย่ อ, อ, อแค่นี้มันก็จะพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้นะเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยถ้าเข้าใจถูกเดี๋ยวนี้ตอนนี้คือพ้นทุกข์แล้ว ทำไมพ้นท um ุกข ag. pues, ์เพราะไม่ม hmm. so, ีเราเป็นผู้ทุกข์มีแต่สังขารเป็นทุกข์อ่าเห็นไหมทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีสําหรับเราเพราะเราไม่มีเราไม่มีไงแล้วสงสัยอะไรอีกเขาบอกข่าวนี้มันไม่น่าจะมีสงสัยถ้าเกิดสงสัยขึ้นสงสัยคืออะไรสงสัยก็คือสังขารอ่ะสังขารเกิดก็ไม่ใช่เราเป็นผู้สงสัยอีกแล้วก็เป็นแค่สังขารเกิดสังขารเป็นทุกข์แล้วก็สุดท้ายสังขารไอความสงสัยก็ดับก็ไม่ใช่เราดับมีแต่สังขารดับ เพราะฉะนั้นความสงสัยก็ไม่ใช่เราเกิดเกิดดับดับแล้วก็คําถามสมมติว่ า, าสงสัยแล้วเนาะแล้วก็มาถามเนี่ยยกมือถามถามมือก็เป็นสังขารความคิดก็เป็นสังขารแล้วก็ความรู้สึกก็เป็นสังขารเห็นไหมสังขารหมดไม่มีเราแล้วพอถามออกมาคําพูดก็เอาปากถามปากก็คือเป็นสังขาร เสียงที่เป็นออกไปมันก็คือเป็นเสียงไม่ใช่เราอยู่แล้วตรงนั้นไม่ไม่สงสัยเรื่องเสียงเอาตกลงสังขารทํางานหมดเลยอ้าวมีการเคลื่อนไหวมีการกระดูกกระดิกแล้วก็พูดจาออกมาแล้วสุดท้ายมันก็ดับไปหมดไปคําถามก็ไม่มีความสงสัยก็ไม่มีมีไม่มีหมดแล้วก็แล้วก็สังขารตัวใหม่ก็เกิดขึ้นอีกก็ไม่ใช่เราอีกแล้วมีแล้วก็หมดไปอีกอ่าหมดไปอีกแล้วก็ต่อมาเอาสังขารเกิดอีกนะแล้วก็มีแล้วก็หมดไปอีกเนี่ย สังขารเนี่ยมันเกิดเกิดดับดับก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยวงเวียนวงเวียนวงเวียนวเวียนเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกตัวมีสติรู้เท่าทันว่าตอนเนี้ยสังขารอะไรที่กําลังปรากฏเออโดยเฉพาะไอ้ความเห็นผิดอ่ะที่มันปรากฏเนี่ยต้องรู้ไว้ทันเช่นเห็นผิดคือเห็นผิดคือคือมันเข้าใจผิดแต่ไม่เห็นว่าเข้าใจผิดเช่นเวลาสงสัยเนาะความสงสัยก็คือที่หลวงพ่ออธิบายแล้วก็คือเป็นสังขารเกิด แต่ด้วยความรู้ไม่เท่าทันในสังขารที่เกิดก็เลยไปตะครุบยึดว่าความสงสัยเป็นเราเป็นของเราเป็นเราเราสงสัยแต่ถ้ามีคนมาชี้บอกแน่ ä, ความสงสัยเป็นอะไรนึกได้ทันทีเออเนาะความสงสัยไม่ใช่เราแค่นี้ความเป็นตัวเราความหลงผิดก็ดับไปเพาะเลยนี่ก็เท่ากับว่าดับตัวกูได้หนึ่งนแล้วแล้วต่อมาสังขารเกิดอีกแล้วหลงผิดไปยึดถือสังขาร่าเป็นตนอีก พอรู้ตัวปั๊บอ้าวนี่มันสังขารนี่มันไม่ใช่เร า, าความเป็นเราก็ดับอีกคือความหลงดับไปอะ่ะเพราะความตัวเราความเป็นเราเนี่ยมันเกิดเพราะความหลงหลงผิดใช่ไหมแต่พอรู้สึกตัวปั๊บความหลงก็ดับไปพอความหลงดับไปก็ตัวเราไม่มีมีแต่สังขารแล้วสังขารนั้นก็เมื่อไม่มีขยึดมันไม่มีที่เกาะไม่มีไม่มีขยึดไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อยู่มันก็เลยดับร่วงไปด้วยนี่หลวงพ่อพูดแบบ ถอนรากถอนโคนเลยไม่ต้องอ้อมค้อมเข้าถึงวิมุตต์หลุดพ้นในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ลักสั้นที่สุดถ้าผู้มีปัญญาเข้าใจแล้วก็คือถ้าเข้าใจในปัจจุบันมันพ้นทุกข์แล้วตอนนี้ทีนี้ถ้าที่เหลือคือมันยังมีความหลงอยู่เพราะมันยังเคยชินกับหลงก็ในชีวิตประจำวันก็ฝึกรู้ตัวจะเดินจะนั่งจะนอนหรือว่ามีความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เพียนมีความเพียนที่จะ ก็เรียกเพียนมีสตินั่นแหละแล้วก็มันก็จะระลึกได้ขึ้นมาบางทีระลึกเองไม่ได้นะต้องอาศัยยุกกรายาณมิตรชี้บอกชี้บอกปับ๊บถ้าเคยเข้าใจมาแล้วเนี่ยแค่นี้เข้าใจในทันทีเลยที่ได้รับการชี้แนะก็หลุดพ้นไปอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อก็เปิดโอกาสนะให้พวกเราได้คุยกันกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเฉลยให้ถึงขนาดนี้แล้วยังมี ติดขัดตรงไหนอย่างไงอันนี้เข้ามาฟังหลวงพ่อครั้งแรกหรือเคยฟังมาก่อนไหมเข้ามาครั้งแรกค่ะเพื่อนชวนมาอ๋อเออไม่เคยเข้าขาเท้าด้วยไม่เคยเลยเออเออแต่แต่ก็เคยปฏิบัติทำมาก่อนใช่ไหมเคยแบบเรียนรู้ธรรมะอะไรเนี่ยก็ฟังอะค่ะฟังไม่แน่ใจว่าตัวเองเคยปฏิบัติหรือเปล่าค่ะก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระก็เช้าเย็นนะค่ะก็ทุกวันนะค่ะแล้วก็ก็แค่ว่ารู้สึกว่าสวดมนต์ก็ทําให้เรารู้สึกสงบ สงบเคลียค่ะแล้วก็ชอบฟังแบบฟังธรรมะไปจาก youtube จากอะไรมากอลยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วที่ที่หลวงพ่อพูดไปเมื่อกี้ฟังตลอดตั้งแต่เริ่มต้นไหมฟังค่ะฟังค่ะก็คือไอ้ตัวก็ฟังค่ะหลวงพ่ออืแล้วแล้วเข้าใจไหมเออตรงนี้สําคัญ อ, อเข้าใจค่ะเพราะว่าคือในในความคิดตัวเองอ่ะจะคิดอยู่แล้วว่า คิดคิดจากที่เราฟังมาเยอะว่ะตัวเราไม่ใช่เราอยู่แล้วเราเกิดชาตินี้มาเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามาเกิดในสังขาร น, นี้หน้าที่เราก็คือว่าดูแลสังขาร น, นี้ให้มันจนกว่าจะถึงวาราค ะ, าะค่ะอ่าก็คือป่วยก็ดูแลไปรักษาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเอาเอเคยอ๋อเคยเคยเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อพูดเหมือนกับว่ามันเจืาะเนาะคือเข้าใจเลยแบบลื่นเลยไหมก็เข้าใจค่ะเพราะว่าคือมันมันมัน ความที่เราฟังฟังฟังครูบาอาจารย์มาหลายคนเราก็จะรู้ว่าเราจะไม่ยึดติดกับตัวเราอะค่ะหลวงพ่ออยู่แล้วเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าแต่ว่าตัวของเราเนี่ยจะมีปัญหาคือเราจะรู้ตัวเราว่ามีปัญหาคือควบคุมในเรื่องของโทสะกับโมหะไม่ค่อยจะได้อย่างเช่นว่าอ่าจริงๆก็ควบคุมได้เยอะแล้วร อ, อนานหงุดหงิดกับลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้างอะค่ะหลวงพ่ออ๋อถ้างั้นเดี๋ยวตอบคําถามหลวงพ่อหน่อยนะได้ค่ะโทสะ โทรศัพท์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่โยมพูดถึงเมื่อสักครู่เนาะมันเป็นอะไรมันเป็นสังขารหรือมันเป็นเราอ๋ออันนี้ไม่ไม่ทราบะค่ะหลวงพอง่อหนูจะไม่รู้ทฤษฎีหลวงพองอ่อไม่รู้ใช่ไหมแต่ทฤษฎีนี้หนูจะไม่ค่อยรู้แต่หนูจะรู้ว่าโทรศัพท์คือเกิดขึ้นจากที่ว่าบางทีมันเป็นเป็นแบบว่ามันเป็นสังขารที่เกิดขึ้นนะคะว่าบางทีคือทุกอย่างในตัวเราเนี่ยเราไม่ความรู้ว่า อ๋อเราเกิดมาเนี่ยเรามีแต่จิตใจที่มาเข้ารวมกับสังขารนี้โอเคโอเคนะเป็นทีละตอนเนาะตกลงว่าความความโกรธอ๋อเมื่อกี้ก็โยมเข้าใจแล้วว่ามันเป็นสังขารเนาะค่ะอ่าทีนี้บางคนเนี่ยเขาเข้าใจผิดไงเขาเข้าใจว่าความโกรธเป็นเราโยมเห็นว่าถ้าถ้าสมมุติมีคนเขาบอกว่าความโกรธเป็นเราเนี่ยโยมรู้สึกว่าเขาเขาไม่เข้าใจใช่ไหมหรือว่าเขายังเข้าใจถูก ไม่มีมคำว่าเราอะค่ะในความรู้สึกก็ไม่มีคําว่าเราเในในในตัวเองก็ไม่มีคําว่าเราคือเราเรามาเนะี่ยเราเกิดมาชาตินี้เราอยู่กับสังขารนี้แต่มันไม่ใช่ของเราแม้แต่สามีหรือลูกก็ไม่ใช่ของเราในความรู้สึกนะคะแต่มันเป็นบทบาทหน้าที่ที่กรรมกรรมกรรมทําให้เกิดมาร่วมกันเราก็จะทําหน้าที่บทบาทของเราให้ดีที่สุดแต่เช่นเราเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆถามลงตอหลวงพ่อเป็นเป็นทีละเป็นทีละเป็นคําต่อคําไปก็ได้เนาะเออพอหลวงพ่อตอบถามทีก็ก็ <acy> ทีนี you know? well. well, ้ยมเข้าใจถูกต้องหมดแล้วตามที่หลวงพ่อฟังนะยมบอกว่าเออมันไม่มีเราหลอกมันมีแต่สังขารที่เกิดแล้วก็ก็ดับด้วยสามีก็เป็นสังขารตัวเราก็เป็นสังขารเนาะแต่ทีนี้ว่าเมื่อเมื่อเป็นสังขารหมดแล้วเนี่ยเมื่อไม่มีตัวเราเนาะแล้วใครต้องการอะไรอีกไหมอ่ะใครต้องการอะไรอีกไหมถ้าไม่มีตัวเราแล้วใครเป็นผู้ต้องการที่จะให้เป็นนั่นเป็นนี่อย่างนี้แปลว่าหลงไหมหรือยังไงความรู้สึกว่า ทุกอย่างที่ความต้องการของเรามกิเลสทำให้เกิดความต้องการนะคะต้องการนู่นต้องการนี่คือเหมือนกับว่าในความรู้สึกเองนะคะว่าจิตใจเราเมื่อทำให้เกิดกิเลสมันก็จะแสดงออกมาในสังขารที่เป็นตัวเราคือ จิตที่ทําให้เกิดกิเลสมันก็จ ะ, ะแสดงออกมาสังขารว่าเราจะทําให้สังขารเราไปทํานู่นทํานี่แสดงออกมาเป็นสังขารเราในความรู้สึกอย่าทฤษฎีคือไม่ค่อยรู้เรื่องทฤษฎีเออไม่เป็นไรเออเราคุยภาษาชาวบ้านนะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยที่โยมพูดถึงว่าเออบางทีมันยังมีความโกรธใช่ไหมโกรธค่ะโกรธที่คุณพ่อโแล้วก็ยมบอกว่าโยมบอกว่าอะไรนะเรายังทําไม่ได้ใช่ไหม ในความรู้สึกว่าเรายังคุมสองตัวเนี้ไม่ได้คือ okay, อยายโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนะอ่ในความรู้สึกว่าเรายังคุมไม่ได้แล้วเราเมื่อกี้มันมาจากไหน ท, ทั้งทงที่ตอนแรกเข้าใจว่าไม่มีเราแล้วเราคุมไม่ได้เนี่ยนี่เรามันมาจากไหนมันบอกไม่ถูกค่ะหลวงพ่ออย่างเช่นอนะเราไปไหนเแต่งตัวช้าแล้วก็จะโมโหงหงุดห ง, งิดควาหงุดหงิดจะเกิดละเราเราก็รู้ว่าเออมันคือความหงุดหงิด ก็พยายาจะคุมแต่บางทีมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุมไม่ได้ว่าหดหงิดขึ้นมาทำไมช้านะอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนที่บอกคุมไม่ได้อยาใครคุมอ่ะโยมตอบหลวงพ่อเนาะก็คือสังขารของเราเนี่ยตัวเราจิตเราเนี่ยคุมสังขารเราไม่ได้ที่จะทําให้เกิดความหดหงิดโมโหอ๋อที่ที่คุมไม่ได้เนี่ยคือสังขารมันคุมไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วใครเป็นคนรู้ว่ามันคุมไม่ได้อ่ะ ก็ตัวเราเองอ่านี่ตัวเราเอง <Thursday> เมื่อกี้บอกว่าไม่มีตัวเราใช่ไหมตอนเนี้ยจับตัวได้แล้วอย่างว่ายังมีตัวเราอยู่คือผู้คุมยัง ม, มีตัวเราอยู่อ่ารวมต <S <S ้องรู้ให้เท่าทันนะเนี่ยเนี่ยคือความหลงนะนี่หลวงพ่อเจ้ให้นะ <S 2> <S 2> <S เพราะว่าไอ้อตรงอื่น่ะเข้าใจถูกหมดแล้วแต่บางตัวมันหลงไปก็เลยเข้าใจผิด ต, ตอนเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องต้องแก้แล้วว่าอ๋อเออโนะยังมีเราเป็นผู้รู้ว่ามันคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เราผู้รู้จริงๆมันคืออะไรถ้าถูกต้อง สังขารสังขารสาธุเลยเนี่ยโยมไม่เห็นในตัวนี้ไงไม่เห็นในตัวผู้รู้ก็เลยไปเป็นผู้รู้ว่ารู้ว่ามันคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยนะสิ่งใดก็ตามที่รู้อะไรมาทั้งหมดเลยให้รู้เท่าทันว่าไม่ใช่เราเป็นผู้รู้คือสังขารบรรลุเก็ตไหมเก้าค่ะ เอ้าเดี๋ยวโยอมลองลองทวนที่ความเข้าใจเดิมมันเออตอนที่ตอนหลงมันหลงเป็นยังไงแล้วก็พอมีหลวงพ่อสกิดให้รู้สึกว่ามันหลงไปจริงแล้วก็เข้าใจถูกแล้วมันเป็นอย่างเอยขยายความตรงนี้นะหลงพ่อก็เข้าใจว่าโอเคแล้มันหลงแต่ตกลงแจมแจ้งแล้วนะว่าไอ้ที่รู้เนาะตอนแรกเรารู้ว่ามันคุมไม่ได้นะแต่บัดนี้แต่บัดนี้ถึงแม้ว่ารู้ว่าคุมไม่ได้แต่ผู้รู้ไม่ได้เป็นเราเนาะเป็นสังขารเนาะเป็นสังขารใช่ค่ะ แจมแจ้งไหมอ่ะแจม<ำ>หลวงพ่อแจมแจ้งนะโ okay. อเคอ้าวเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมละ่ะมาคุยกับหลวงพ่อเนี่ยมันต่อเขาเรียกว่าต่อยอดสิ่งใดที่เคยหลงแต่ไม่รู้ว่าหลงหลวงพ่อจี้จึกเลยโอมันหลงไปยึดว่าเราเป็นผู้รู้ว่าไอ้สังขารมันขูดไม่ได้อ่าต่อไปก็ถ้าเกิดหลงอีกก็ให้รู้าทานันว่ามันคือสังขารเออสังขารหมดโยงข้าใจถูกต้องแล้วคือทุกอย่างเป็นสังขารหมด แต่ว่ามันบางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ามันมันหลงลืมไปก็ไปยึดสังขารมาเป็นเราเช่นการรู้เนี่ยไอความรู้ที่ที่โยมเล่าอ่านะมันก็คือสังขารแต่พอมันลืมไปไงก็กลายเป็นว่าเรารู้เห็นไหมละ่ะทีนี้พอรู้ว่าอ๋อไอควาว่าเรารู้หรือเรารู้อ๋อจริงๆมันก็คือสังขารอยู่ดีเห็นหความเป็นตัวเราก็หมดไป <Yeah. S 2> เห็นไหอ น้อยโยมค่อยมาฟังซ้ําอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าในนี้มันเป็นเรื่องของโยมแล้วก็มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยเพราะขณะที่เราคุยเนี่ยบางทีโยมก็งงบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าฟังซ้ําปั๊บเนี่ยมันจะแจ่มแจ้งชัดเจนเลยว่าโอ้นี่ถ้าหลวงพ่อไม่บอกนะโยมก็ยังหลงอยู่อีกตั้งนานเนี่ยเพราะว่าจะหลงรู้อยู่ว่าเราเป็นคนรู้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเวลาไปยึดรู้นี่นะมันไม่ใช่ยึดแค่รู้ว่าเราคุมไม่ได้นะรู้อะไรมามันยึดหมดเลยนะเออเดี๋ยวถ้า ง, งั้นทาแบบฝึกหัดหน่อยเนาะ ทำแบบคุยแค่เดี๋ยว <st ans> เดี๋ยวตอบคำถามหลวงพ่อเนาะตอนนี้ตอนนี้โยมอยู่บ้างกับใครอ๋ออยู่กับลูกกับแฟนคะ่ะอ่ามีมีลูกมีแฟนเนาะเออเออแล้วแล้วลูกกับแฟนนี่เป็นเราไหมอะ่ะไม่ใช่เราค่ะเป็นเขาเป็นสังขารหมดเลยอ่าถ้าอย่างนั้นรู้จักตัวเราไหมอะ่ะว่าตัวเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองคนนั้นตัวเราไม่ใช่สองคนนั้นเออเพราะสองคนนั้นไม่ใช่เราแล้วเราก็คืออีกคนหนึ่งเนาะเราก็เป็นสังขารหนึ่งคะ่ะโอเครู้จักตัวเราแล้วเนาะค่ะอ่า แล้วใครล่ะมารู้ว่ามีตัวเราอยู่ในใครเป็นคนรู้ว่ามีมีเราอยู่ที่บ้านใครเป็นคนรู้ว่ามีเราอยู่ที่บ้านเออใครเป็นคนรู้เราอ่ะว่ามีเราไม่เข้าใจค่ะหลวงพ่ออ๋อไม่เข้าใจใช่ไหมเอ้าหลวงพ่อถามใหม่ที่บ้านมีกี่คนตอนนี้สามคนอ่าสามคนแล้วก็ที่ไม่ได้เป็นเราเนี่ยมีกี่คนในสามคนเนี่ยที่ไม่เป็นเราไม่เป็นเราสักคนเลยค่ะหลวงพ่อ โอ้ยจันยอดเลยอ่ะถ้างั้นหลวงถามหลวงพ่อถามต่อแล้วใครรู้ว่าไม่เป็นเราสักคนหนึ่งใครรู้ไม่ใครรู้ใครรู้ก็ไม่มีใครรู้ค่ะหลวงพ่อเพราะมันคือสังขารโอเคนะไม่มีใครรู้แต่การรู้มีอยู่จริงไหมล่ะการรู้มีอยู่จริงค่ะอ่าแต่ผู้รู้ที่รู้เราไม่ได้เป็นเราใช่ไหมเราไม่ได้เป็นเราค่ะอ่าเราไม่ได้เป็นเราและผู้รู้เป็นเราไหมผู้รู้ไม่ได้เป็นเราค่ะ โอ้โหแจมแจ้งนี่ถ้าเห็นจริงอย่างนี้สุดยอดเลยนะโยมนะเพราะว่ามันไม่มีเราเลยเราก็ไม่ใช่เราเราคือขันห้าแล้วผู้รู้เรามันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยมีแต่รู้เนี่ยมีอยู่จริงเนาะที่รู้รู้ขันห้าได้อ่ะเออมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างไม่มีเราเลยผู้รู้ก็ไม่เป็นเราสิ่งถูกรู้ก็ไม่เป็นเรานี่คือจบตรงนี้เพราะงั้นถ้าไม่หลงอีกก็คือก็คือจบแล้วไงเพราะว่ามันมันหมดแล้วนี่ไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วนี่ เพราะว่าที่เราเรียนทั้งหมดน่ะคือเข้าใจถูกว่าทำทั้งหลายเอ้อทำทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ไม่มีเราเลยนะเหมือนกับสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นก็เป็นสังขารเนาะแล้วก็สังขารแล้วก็ดับแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏมันก็ไม่มีทุกไม่มีสุขอยู่แล้วเพราะมันไม่ปรากฏแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือไม่มีเราในไหนเลยว่างเปล่าว่างเปล่าจากตัวตนเออ โยมาเอานะก็ดูนะถ้าหลงเมื่อไหร่แล้วค่อยค่อยรู้สึกตัวเนาะว่าหลงแล้วเนาะรู้สึกตัวเร็วๆนะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วชีวิตที่เหลือจะทำยังไงต่อไปเนี่ยก็ก็ก็ดูแลสังขารเราสังขารคนรอบข้างไปตามหน้าที่อะค่ะจนกว่าจะลาสังขารนี้ไปไม่รู้จะไปสังขารใหม่แล้วพูดดูแลคือคือใครก็ก็คือ มันไม่ใช่ตัวเราอะค่ะก็คือสังขารที่จะต้องดูแลกันต่อไปค่ะโอ้สุดยอดเลยเนี่ยเนาะ no. เพราะงั้นไอ้ที่ทําหน้าที่ไปก็คือสังขารมันมันทําของมันเองเนาะแต่ว่าไม่ใช่เราทําอย่างนี้ถูกไหมค่ะมันเป็นสังขารที่ที่มันถูกก <c oughs> ําหนดมาในชาตินี้ค่ ะ, ะแล้วต่อไปถ้าสมมติว่าอในชีวิตประจําวันมันยังมีอาการโกรธบ้างหรือดีใจบ้างอะไรเนี่ยเข้าใจว่ายังไงก็มันเป็นเรื่องของสังขารนะคะ สังขารที่มันมันมันถูกมันถูกปรุงแต่งขึ้นมากําหนดขึ้นมาโดยมันเองอ้ โ, อโอแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่มีทุกข์แล้วดิทุกข์คือรู้สึกว่าเกิดมาก็มีทุกข์แล้วหลวงพ่ อ, อก็คื อ, อว่าเรามีความสึกการเกิดเป็นคนอนะคือทุกข์โอเคอ่ะต่อให้มีเงินใช้มากมายบ้านเรือ น, นก็คยทุกข์มีทุกข์เสร็จแล้วทุกข์นั้นเป็นของใครเปล่าไม่ไช่ของใครกับทุกข์นั้นก็คือทุกข์ที่มันเกิดกับที่มากับสังขารเนนะี่ยค่ะ โอโหโยมโอเคสาธุสาธุนะโยมนะโยมที่มาลื่นเลยนะแล้วยอมนี่สอนธรรมะให้คนอื่นได้ไหมเนี้ยแบบเนี้ยไม่ค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองรู้ธรรมะเลยค่ะรู้สึกว่ามันคือเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เราก็เรียนรู้ว่าเราไม่ใช่เราพออายุเยอะขึ้นเราฟังเยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าคือมันมันไม่ใช่เราอ่ะค่ะมันคือมันคือสังขารเราหน้าที่ก็คือดูแลมันต่อไปจนกว่าจะละมันไปเออเออโอ เอาโยมมาบ่อยๆนะหลงวันหลังหลวงพราะก็จะเรียกมาชวนคุยเพื่อประโยชน์กับคนอื่นด้วยไงเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจเหมือนเหมือนที่ที่โยมพูดเลยอ่ะคือเขาจะไปติดเช่นถามถึงว่าเรื่องรู้เนี่ยก็บอกก็เขารู้อยู่เนี่ยตอนนี้ก็ยังรู้ว่าเราเป็นผู้รู้เนี่ยคือมันมันมันถอนไม่ออกอะ่ะเออแต่ทําไมของโยมมันมันถอนออกว่าไม่ใช่เรารู้แต่รู้ว่ามีอยู่แต่ไม่ใช่เรารู้เนี่ยเออโยมลองลอ ง, ลองทบทวนย้อนหลังได้ไหมเราว่าเมื่อก่อนเนี่ย ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมก่อนที่จะฟังธรรมเนี่ยโ ย, โยมเข้าใจแบบไหนแล้วพอปฏิบัติธรรมแล้วทําไมโยมเข้าใจอย่างเนี้ยแล้วอะไรที่ทําให้โยมเปลี่ยนไปอ่ะความเข้าใจที่มันเคยผิดกลายเป็นความเข้าใจถูกอ่ะสมมติว่าแต่เดิมนะโยมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีตัวโยมใช่ไหมแล้วก็รูป ก, ก็เป็นรูปของเราแล้วเราก็คือเราแล้วทีนี้ทําไมมันเปลี่ยนได้อ่ะเออโยมลองพูดให้หลวงพ่อฟังหน่อยก็ก็ฟังฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็มาคิดค่ะเพราะว่ามันแบบ คือความที่ว่าชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะหลวงพ่อก็คือมีสามีลูกครอบครัวโอเคหมดแล้วรู้สึกแบบเอ๊ะเราก็อะไรคือความสุขแล้วมาคิด่าอะไรคือความสุขเราคิดคิดว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์ค่ะแล้วมานั่งทบทวนว่าสรุปแล้วเราทําทุกอย่างเนี่ยเออบ้านเรามีบ้านมีรถทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบมันไม่มันเหมือนมันไม่ใช่มันเหมือนภาพลวงตาหลวงพอ่อมันไม่ใช่ของจริงี่ในความรู้สึก แั้นแต่เราเกิดมาชาตินี้ร่างกายนี้กับมันก็ไม่ใช่ของเราพอตายไปมันก็ในความรู้สึกว่าพอเราตายไปเราก็ทิ้งมันไปทุกอย่างอะไรเงี้ยสามีก็ไม่ใช่ของเราลูกไม่ใช่ของเราตัวก็ไม่ใช่ของเราเราก็คิดถึงตอนว่าเอ๊ะถ้าเราตายเนี่ยมันอะไรเป็นของเรามากมันก็ไม่มีอะไรของเราสักอย่างในความรู้สึกนะคะเออ um. เราก็จะคิดถึงตรงนั้นว่าอะแล้วเราจะไปแบบว่าไปคิดต้องเป็นของเราได้ยังไงอะไรเงี้ยต่อให้สมบัติอะไรงเงี้ยสมบัติอะไรต่างๆที่เราสะสมมาเนี่ย ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหรือคนบางคนไม่มีอะไรเลยตายไปก็ยิ่งคนมีเยอะอ่ะยิ่งห่วงเยอะมันทั้งๆ้งที่มันก็ไม่ใช่สมบัติเรามันก็ไม่ใช่ของเรามันเหมือนกับชาตินี้มันเกิดมาแบบว่าเกิดมาใช้ร่างกายนี้เฉยๆแล้วก็มีหน้าที่คือดูแลให้มันอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่มันปัญญามันติดมันติดมากับชีวิตมันมันปัญญามากอ่ะมันถึงเข้าใจตรงนี้ได้อ่ะเพราะนั้นเรื่องนี้จริงๆเนี่ย มันเคยผ่านการอบรมการฟังธรรมะการปฏิบัติในในที่แล้วมาเนี่ยมันเยอะมากเนี่ยเป็นการสะสมพอมาชาตินี้ที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันเลยเข้าใจธรรมะง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย โ, <อ>โยมจ ะ, จะไม่ค่อยรู้เรื่องพัดใจปิดกใครมาถามพัดตจปิดกถ า, ถามเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ทฤษฎีค่ะเราจะเข้าใจขง<อ>เราเองว่าอันนี้คือความเข้าใจของเราว่าเออการสวดมนต์เนี่ยเราไม่ได้สวดมนเพื่ออะไรสวดมนเพื่อสงบเพื่อให้ใจเรามีสมาธิ สิทกับบทสวดจะได้ไม่บลอกแวกอะไรในความรู้สึกนะคะหรือว่าการบางทีเราก็รู้จักให้รู้จักอะไรการทําทานก็ต้องมีบ้างอะไรแล้วก็จะคิดของเราเองอะค่ะคือไม่อยากไม่อยากยึดติดคือเราก็จะไม่ยึดติดกับลูกกับสามีอะไรก็ไม่ค่อยยึดติดมันก็ทําให้เราครอบครัวมีความสุขเรามีสามีเราไม่ยึดติดกับเขาเขาเป็นสังขารนึ่งไม่จะมีไปมีเมียน้อยอะไรไม่ว่าเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะเขาไม่มีเขาเขาไม่มีอยู่แล้วค่ะอ๋อมันลงมันลงล็อกหมดเลย หรือถ้าเราไม่ถ้าเราเป็นคนที่คิดว่ามันคือสันขานน่ะคิดว่าอืมเราก็คงไม่ห่วงเราไม่มีเรื่อห่วงห่วงอะไรอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็เลยมันก็เลยมมไม่มีปัญหาเออเออมันมันง่ายในการปฏิบัติเพราะว่ามันสะสมมาแล้ว แ, ลแหละพวกนี้ก็เลยก็าเรียกว่าเออฟังธรรมะก็เข้าใจเนาะแล้วก็สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นโยมก็เข้าใจว่ามันก็เป็นสังขารสังขารต่อพื้นต่อพื้พเลย แล้วก็ไอ้รู้เนี่ยไอ้ตัวรู้ที่มันรู้นั่นรู้นี่ก็เข้าใจได้ว่ามันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เรารู้แต่มันรู้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่เออมันรู้นะแต่หลวงพ่อก็ก็ดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวมาคุยกันบางทีมันอาจจะมีการเผลอหลุดเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะแต่ในความรู้สึกตัวเองก็คือยังยังมีความรู้สึกว่ายังคุมในเรื่องที่ว่าหงุดหงิดในบางครั้งไม่ได้ดังใจช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเกิดเรารู้ว่าเออพอหลวงพ่อบอกว่าสังขารที่เดี๋ยวเราก็พยายามฝึก ว่าจะพยายามฝึกตามเนี่ยังมีเรื่องหงุดหงิดบ้าง<ช>ยังมีเโมโหโที่ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยที่พยายามคุ่มทีนี้เราเหมือนกับว่าโอเคมีปัญญาเข้าใจเรื่องสังขารแล้วแหละเพราะฉะนั้นหงุดหงิดเนี่ยก็แค่รู้สึกตัวว่าหงุดหงิดแล้วก็มันก็เข้าใจด้วยปัญญาแล้วว่าความหงุดหงิดเกิดเองเนาะเราไม่ได้ทําให้เกิดเนี่ย<ช>มันจะเข้าใ จ, ใจเรื่องความเป็นเราไงว่าเออความหงุดหงิดมันก็เกิดเองเราเพราะมันไม่มีเราเป็นผู้ท μο, ํำก็เข้าใจได้ว่าเออเราไม่มีมีแต่สังขารเกิด แล้วก็ต่อมาก็สังขารดับหรือมันไม่ดับจะดับไม่ดับก็เข้าใจได้ว่ามันเราก็ไม่ได้ทําให้มันเป็นไม่ได้ทําให้มันตั้งอยู่เนาะคือไม่มีเราเลยมีแต่สังขารเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็เรียนรู้อย่างนี้แหละอะไรเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดแล้วก็รู้เอานะรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็คือไม่ยึดอ่ะเออไม่มีผู้ยึดได้แต่รู้อะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่รู้แค่เนี้ยเดี๋ยวมันก็ก็โอเคเลยทุกอย่างก็คือทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็มันคือเป็นชีวิต ใช่ไหมมีความสุขบ้างมีความไม่สุขบ้างมันผสมปนเปมีความหิวบ้างความอิ่วบ้างมันมก็เป็นปกติมีความปวดบ้างไม่ปวดบ้างคือปกติมากเลยเป็นธรรมชาติเป็นขันห้าหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลงผิดไปยึดเนี่ยมันก็มีแต่ขันห้าที่บริสุทธิ์คือมันเป็นเองเกิดเองดับเองเหมดเลยอ่มันก็นนพ้นทุกได้พ้นทุกเพราะว่าเข้าใจถูกว่าไม่มีเราเป็นทุกมีแต่สังขารเป็นทุก คือท่านนะวันนี้เรายังมีความสุขอยู่เราที่เราไม่มันไม่แน่นอน <ừ m. S 2> พรุ่งนี้เราอาจจะทุกข์ก็ได้เอ อ, อวันนี้เราทุกข์มันก็จะมีสุขคือจะไม่ไม่บอกจะไม่ยึดว่ามันคือทุกข์หรือสุขค่ะหลวงพ่อาารร <le S 2> แต่ออตอนเนี้ยทุกวันนี้เรามีชีวิตที่มีความสุขแต่เราอย่าเหลิงว่าเรามีความสุขเพราะวัน เ, เราไม่รู้วันไหนเราจะทุกข์เราจะระวังตัวของเราเราจะคิดของเราอยู่เสมอว่าไอ้วันหน้าเราอาจจะมีความทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอก จะไม่จะไม่ประมาทที่จะบอกว่าจะพยายามไม่ประมาทนะคะว่าเออวันนี้มีสุขไม่เหลิงว่าเรามีสุขนะเพราะวันเราจะมีทุกได้ทุกเมื่อเดี๋ยวเดี๋วันไม่ไม่รู้วันดีขึ้นดีว่าความทุกข์มันจะมาหาเราได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเนี่ยภาษาชาวบ้านเราใช้คําว่าไม่เหลิงเห็นไหมคนเข้าใจได้นะแต่ว่าถ้าใช้ภาษาว่าโอ้ต้องไม่เพลิดเพลินนะไม่เป็นนันทิแล้วใครจะรู้เรื่องไหมนะเออ เพราะนั้นเนี่ยยงคุยแบบภาษาพื้นๆแบบเนี้เออเข้าใจง่ายดีไม่เหลิงไม่เหลิงคือไม่เพลิอนอ่ะไม่เพลิน ไ, พลนไม่หลงละเลิงไม่เพลินก็คือมันสุกก็รู้ว่าสุกในปัจจุบันเนาะมันสุขหายไปก็รู้ว่าสุขหายไปในปัจจุบันรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันโอ้โห<ม> <pivot. S 1> สุดยอดแล้วเนาะอ่ะก็อนุโมทนาสาธุกับยงนะอืม